พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกปัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าทางออกของชีวิตเห็นหมาสมชาย ชะ น, มนีมันร้องมันร้องเมื่อวานฝนจะตกหน้าฝนจะตกหน้าสินสมชายมันร้องระวังฝนหน้ะปิดประตูหน้าต่างให้ดีนะแล้วฝนจะตกหน้าโอ้มันร้องเป็นตุเป็นตะเมาาื่อวันวันให้ฝนตกจริงๆเห็นมาแต่บางทีมันก็พลาดเหมือนกันนะแต่ก็พลาดน้อย โดยมากก็ถ้ามันตกเลยอย่างนี้หลายๆวันติดต่อกันสมชายก็จะร้องพอร้องเสร็จแล้วก็ฝนก็จะหยุดโดยมากแต่ว่าฝนมันแรงมันนานมันร้องตัว น, นั้นต้องคิดว่าฝนจะตกไว้ก่อนแต่บางทีก็พลาดเหมือนกันนะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปคุยกับพญาแถนเหมือนกันเนาะ ร้องนานทีเดียวลงพ่อเอฝนจะตกหรือเปล่านะลูกหลานเนะี็มวันเมื่อคืนนี่ก็ตอนหัวค่ำก็ตกแล้วก็พักพักยกประมาณสามสี่ห้าหกทุ่มเนี่ยพักยกพอตีหนึ่งตีสองลงมาเองตกตลอดมาเลยนะแต่ว่าฝนปีนี้ฝนไม่ดีนะลูกหลานนะ ไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อกลินพรมๆอย่างนี้แหละมันไม่เทลงมาเหมือนปีนก่อนๆปีก่อนๆเวลามันตกเทลงมาจนลำรางของเราเนี่ยเออเออเออแล้วครึ่งฝั่งไม่รู้กี่ครั้งแล้วหน้าฝนแต่ละปีแต่ปีนี้น้ํายังไม่ขึ้นเลยน้ํายังไม่ขึ้นไม่ขึ้นถึงครึ่งฝั่งเลยไม่ว่าเต็มหรือ่ะครึ่งฝั่งก็ยังไม่มีมีแต่ตกขึ้นมา เป็นเพียงแต่น้ําเปลี่ยนสีท่านเองถ้าน้ํำดั้งเดิมมันเป็นน้าําใสเกียวน้ําอยู่ในป่าแต่พอน้ําใหม่มาจากภูเขานะ่ะจะสีแดงอืมเพียงแต่เปลี่ยนเพียงเป็นสีแดงท่านเองเอ่อมันน้ํำไม่ขึ้นไม่เออืะปีนี้เป็นถ้าสรุปลงไปนั่นก็ว่าจากนี้ไปถอยหลังไปนะ่ะฝนไม่ดีปีนี้ แต่ก็พอได้ทำไรทำนาทำไรทำนาแต่เป็นนาเนินนาโนนนาสูงก็รู้สึกว่าจะขาดน้ำไปแต่ถ้าเป็นนาลุ่มต่ำหน่อยก็ก็คงไม่มีปัญหาก็พอได้อยู่ได้กินนี่หรอกอันนี้คือพวกเราอยู่ใต้ฟ้ามีทั้งแดดมีทั้งฝน มีอะไรลงมาเราต้องรับตามธรรมชาติบางทีก็ให้โทษมากไปบางทีก็ให้คุณธรรมดาบางทีก็ขาดตกปกพ่องไปจะทำยังไงได้วันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2556เมื่อวานเป็นวันพระขึ้น15ห้าค่ำเดือน9้า เข้าภพันษามากเมื่อวานเนี่ยครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวจีนด้วยแผ่นดินใหญ่แผ่นดินเมืองไทยเป็นวันไหว้เจ้าเป็นวันลำลึกถึงบรรพบุพ ร, บรุษเป็นวันไหว้เจ้าแต่ตามไม่จริงอย่างเมืองไทยของเราหรือทางอีสานเหนือของเราเขาขอมีการ วันเดือนเดับวันเดือนเก้าดับระหว่าทําบุญข้าวประดับดินเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ล่วงลับไปคือบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายทางอีสานเหนือระหว่าทําบุญข้าวประดับดินต่อไปเดือน10บเพนําบุญฉลากกระพัดทําบุญอุทิศสวนกุศลอีกระหว่าเป็นการทําฉลากถวายพระสงฆ์แต่ทางภาคเหนือ เขาก็มีบุญอีกเหมือนกันนะอ่าก็เรียกว่าปลอยหลวงบ้านทางภาคใต้ทเทศ迦จย์บ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะสรุปแล้วก็คือหาวิธีการทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนผู้มีอุปกร ะ, ระคุณพวกเราเกิดมาจากไหนใครเป็นต้นตระกูลของเราใครให้ความ สงบพร้อมเย็นเป็นสุกับเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังต้องลำลึกถึงพระคุณแต่ละชาติแต่ละภาษาเขาก็พยายามให้ลำลึกถึงประวัติศาสตร์เรื่องบรรนพบรุษของแต่ละตระกูลแต่ละเผ่าพันธุ์เพราะว่าทุกเผ่าพันธุ์ก็ต้องมีตระกูลอย่างหลักของพระพุทธศาสนา ท่านพูดชัดเจนท่านถ้าพูดปู่ย่าตายายมันห่างเกินไปท่านก็พูดถึงพ่อแม่อยู่ใกล้ๆพอเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากแม่ออกมาจากท้องแม่ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วใครเป็นคนดูแลเป็นครั้งแรกคนแรกก็พ่อแม่เป็นผู้ดูแลเรา แในเมื่อผู้ดูแลเราเราใหญ่ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วอ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นตัวเป็นตนถึงขนาดนี้เรามาจากไหนเราก็ต้องย้อนมาจากพ่อแม่พ่อแม่ให้การสนับสนุนพ่อแม่ให้การศึกษาพ่อแม่เลี้ยงดูจนปีกก้าขาแข็งและเมื่อปีกก้าขาแข็งเลี้ยงตัวเองได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่ง เราพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่ไปในทิศไหนก็ได้ไอนนี้เราพร้อมแล้วเหมือนกับ น, นกอยู่ในรังกับพ่อแม่เลี้ยงพอออกมาจากรังปีกขนมีแล้วนกทางหลายก็พร้อมที่จะบินออกจากรังสู่ทิศทั้งสี่แต่ถึงยังไงเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์ที่ไร้ฉันเราต้องมองดูว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราควรปฏิบัติตนอย่างไร พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหละบรรพบุรุษของแต่ละเผ่าพันธุ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่า น, บ, นรบรรพบุรุษบางเผ่าก็ว่าลำลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปการะคุณ ในหลักของพุทธศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างพวกเรามาวัดอย่างวันนี้ตักบาทใจบาตรประกอบคุณงามความดีแล้วก็บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีถึงมากน้อยอย่างไรบุญกุศลที่เกิดจากการประกอบคุณงามความดีของข้าพเจ้านี้ขออุทิศให้กับบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย วงสาคนาญาิญานมิตรสหายที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรขอให้มารับส่วนบุญจากข้าพเจ้ามารับคุณงามความดีจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วถูกตามหลักทมคําสอนของพระพุทธศาสนาคือท่านไม่ลืมบุญคุณให้ระลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณตาว่าผู้ใดก็ตาม เกิดมาจากไหนไม่รู้จักบุญคุณบุคคลเช่นนั้นค่าเรียกว่าเนรคุณบุคคลในละคุณถ้าเนรคุณตอบบัพรพชนแล้วก็คบไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวในทางพระพุทธศาสนาเพระาะนั้นขอให้พวกเราพณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้แหละคือวันสำคัญแต่ละเผ่าพันธ์จากเมื่อวานเป็นวันสาคัญ จีนแผ่นดินใหญ่และแผ่นดินเล็กที่ไหนๆก็เถอบะบรรพชนของจีนเขาใครลํา ล, ลึกถึงเป็นวันไหวเจ้าแต่ทางอีสานของเราก็เดือนเก้าดับที่จะถึงนี่แหละสิบห้าข้ามหน้านเป็นบุญเก้าดับอันนี้เราก็เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดี เราไปอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วไปอยู่นแผ่นดินไหนก็เดือดร้อนพุ่นวายมันทุกข์อยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ประกอบคุณงามความดีและก็พร้อมกันก็ให้ตรวจตราดูตนเองไว้เสมอเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรือยังเราประกอบคุณงามความดีเพียงพอหรือยัง แล้วก็มองไปทางหน้าอีกสาระของชีวิตของเราคืออะไรสาระของชีวิตของเราคืออะไรความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรให้เรามองไปข้างหน้าเรามองข้างหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าดูในปัจจุบันมองข้างหลังแล้วก็มองปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าสาระชีวิตของของเราที่แท้จริงคืออะไร ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรหาดูซิคนหาดูซินี่แหละคืออะไรคือสาระของชีวิตความสุขที่แท้จริงอันไหนก็มันมีแต่อันิจจังทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นเราเป็นอันิจจังทั้งหมดแต่พอมีอันไหนเป็นอันิจจังสิ่งไหนเม็ดเป็นออนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนันเป็นทก ถ้ามันทุกข์แล้วเราจะยึดว่าเป็นของตัวตนได้อย่างไรเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะเราจะไปยึดทุกข์ได้ยังไงเพราะเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่แหละจุดนี้เราต้องศึกษาเลยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ไหนมันเขามาหาตัวใจทั้งหมดตัวผู้รู้คือนามธรรมทั้งหมดตัวนามธรรมนะ่ะเป็นตัวคิด ตัวสำนึกตัวปัญญาตัวกลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลคือปัญญาในหลักของพุทธศ า, าสนาให้ความสำคัญเรื่องของใจเรื่องของปัญญาเรื่องของแนวความคิดเรื่องตัวตั ว, ตวโรโู้้ตัวรู้รู้หรือตัววิญญาณติดตัวรู้รู้ตัว น, วนี้หลักของพุทธศาสนาให้ความสำคัญอย่างมาก ท่านจึงยกเป็นประเด็นหลักนะัมนโนปุพังมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะมองดูกายมองดูใจความสุขของใจคืออะไรความสุขของกายคืออะไรความสุขของกายก็คือมีมีปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งหม่มอันนี้คือความสุขของกาย มีบริบูรณ์แต่หลักทองพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าถึงเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะอาหารดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนผ้าหนุ่ห่มสวยงามหรูหราขนาดไหนที่อยู่ที่พึ่งพาอาศัยตึกรานบ้านช่องที่พักพาอาศัยสวยหรูขนาดไหนให้ร่างกายนี่อยู่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออยู่ไปอยู่ไปนานไปนานไป เ, ออเดี๋ยวกอแก่เท่าชราไปเรื่อยผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตออร่างกายในถึงจะเลี่ยงดีขนาดไหนก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะร่างกายอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคือสอนไม่ให้ประมาทถึงจะอยู่เราจะอยู่ในสถานนะไหนไปอยู่ในสถานที่ใดเราก็ให้มองดูตนเองอยู่เสมอชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะใจนะ อ, อ่ตทีนี้บอกใจแล้วนะทีนี้ อถึงจะสร้างบ้านหรูหาโออาให้ขนาดไหนก็กเถอะนะร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวจะเห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นผมขาวออกมาหนังเหี่ยวตาฟ้าฟาหงหูตึงเหมือนกับเราเห็นคนแก่ผลที่สุก ข, ขยับเ ข, ขยื้อนไม่ได้อายุกแก่มากเท่าไหร่อก็ยิ่งทนทุกทรมานเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากเป็นแต่จะได้เป็นไหมถ้าไม่ตายง่ายก็จะเป็นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่น สิ่งเหล่านี้แหละในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาแต่มีทางออกไหมในหลักธรรมคำสอนพวกนั้นมีทางออกมีทางออกเพราะว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะหนีไปบวชหนีออกจากเวียงวังที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเขาไปเห็นเห็นคนแก่ถือไม้เท้าผมเขาเวลามองไปเห็นฟันหลุดหมด อันนั้นเป็นอะไรชันนานะอันนั้นคืออะไรชันนานะอันนั้นคือคนแก่พระเจ้าค่ะนเฮเราก็จะแก่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเป็นยังไงคนแกน่ถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนั้นพระเจ้าค่านโอ้หน้ากลัววะจะหาความสุขได้ที่ไหนฮแก่อย่างนั้นนะฮะสะลดจังเวชใจอย่างลึกเลยสินี่ท่านไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนออพอเกิดมาก็อยู่ในรั้วในวังะ จากนั้นก็เห็นคนเจ็บจากนั้นก็เห็นคนตายจากนั้นก็เห็นสมณะสมณะคือนักบวชคือพระเนี่ยนักบวชในสมัยนั้นมีมากหลากหลายเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่ในโคลนต้นไม้ตามลําพังสมณะเนี่ยเป็นว่าเป็นผู้เพ่งพินิษเอีในอะไรก็ไม่รู้อะท่านแต่แต่ละาศาสนาแต่ท่านก็เห็นสมณะผู้หนีออกจากหมู่กลุ่มหมู่คณะหมู่หมู่มวลมนุษย์ ไปอยู่ตามลำพังนั่งกสมาธินั่งสำรวมอยู่ที่โครนต้นไมออ้อันนี้คือสมณะเมื่อสิทธะนั่งอรัสรถไปไปเห็นสมณะอืมถ้าเราอยู่ในเวียงวังเราคงจะคิดไม่ได้ที่จะหาทางออกหาทางพ้นทุกเนี่ยเพราะว่าภารกิจธุรกิจการบริหารจัดการบ้านเมือง เราไม่มีช่องว่างเลยที่จะต้องมาคิดถึงหาทางออกเกิดแก่เจ็บตายนะถ้ามาเด้นนั่งอย่างสมณะท่านนี้นหะไปอยู่ตามลำพังนั่งค้นคิดอยู่ในจิตใจเราคงจะมีช่องทางนะนี่แหละคือสิท ธ, ธัตถะท่านมองเห็นแล้วจากนั้นท่านก็ตัดสินพระทยัยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะออกจากเวียงวังกลางคืนโดยที่ไม่มีใครรู้ รู้แต่นายช น, นะกับม้าขันตะกะเท่านั้นเองขึ้นแล้วนั่งม้าตะบึงเลยสิทธธาเป็นผู้ขี่ม้าขับเองเลยเพราะท่านเป็นนักรบอยู่แล้วเรียนมาทางจุะหัตถียุทธศาสตร์ในการรบาการพุ่งอยู่แล้วท่านก็ขี่ม้าตะบึงจนสุด พรมแดนของท่านจนถึงเขตแขวงกุงรัตสักอนะังถึงแม่น้ำอโนมาาทีเป็นแ ม, แม่น้ำสายเาคงไม่ใหญ่เท่าไหร่มั้งอโนมาาทีจากนั้นท่านก็นั่งในริมแม่น้ำก็แล้วก็ทรงพนวดนะอันนี้คือพุทธประวัติจากนั้นพระ อ, องค์ก็ถด้มาทดลองการปฏิบัติของพระ อ, องค์ลองผิดลองถูกทงหกปีที่ศิษถไปบาเพ็ญทั้งหกปี อดปักยอาหารบ้างกินแต่น้อยทานฉวยแต่น้อยบ้างไม่สวยเลยบ้างสวยให้เแต่มอิ่มบ้างแต่ท่านก็คิดว่ากิเลสมันอยู่ในกายสรุปแล้วอดปักยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันเกือบไม่รอดคิดว่ากิเลสอยู่ในกายแต่ผลในสุดท่านก็มาบำเพ็ญทางด้าน จ, จิตใจมาดูใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะเนี่แหละวันที่ท่านได้ประสบสําเร็จหรือว่าสูตรสาเร็จประสบความสําเร็จที่ว่าสําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ว่าสําเร็จพระสําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทําอย่างไรท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจปุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมรวมคล้ายๆมันรวมเข้ามาเป็นหนึ่งบวรวรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเกิดญาณรัศนะเนี่แหละคือแบบปฐมปฐ ม, มยายาม เกี่ยหนปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยแหะการตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือหน้าศึกษาพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตาญาณพอจวนสว่างอาสาวกายายญาณพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ทำสามอย่างปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตาญาณอาสาวกายายญาณเนี่แหละอันนี้พวกเราศึกษาอะไรแต่ไหบรรยายเลยคือต้นเหตุเป็นอย่างนี้ การปฏิบัติพระองค์ทำอย่างนั้นจิตใจพระไทยของพระองค์หลุดพ้นอย่างนี้เนี่ยจากนั้นเราก็นำํำทำคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนํามาเป็นตัวอย่างจากนั้นท่านก็อธิบายให้ฟังที่ข้าเดินมักท่านคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นะอันดับแรกเราเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายไม่น่าไว้ใจในชีวิตเพราะปู่ย่าตายายของเราตายไปหมดเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมตายแน่ แต่ทำยังไงมีหนทางออกไหมที่จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเราได้เห็นสมณะนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ถ้าเราบอกเราก็คิดในใจว่าถ้าเราได้นั่งคิดค้นคิดอย่างนี้คงจะมีช่องทางบัดนี้เราจะได้ออกมานั่งค้นคิดอยู่ตามลำพังเป็นเวลาทั้งหกปีแต่บัดนี้เราเจอทางแล้วหนทางแล้วเดินมักมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสาร นี่อันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติของเราจากนั้นใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามักแปดกันคลองไตรตองถลงุงใจของเราพอนั้นใจของเรารู้แจง้งเห็นจริงใจของเราหมดกิเลสเพราะว่าใช้ตปะธรรมเผาเข้าไปจนกิเลสหลุดลอยออกไปกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกจากจิตใจใจของเราบริสุทธ เออบริสุทธ์หลุดพ้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วเรารู้ได้แก่ใจของเราเองพระไทยของเราเองนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราศึกษานะถ้าพูดหลวงพ่อพูดให้ฟังคือในมุมหนึ่งด้วยเหลี่ยมหนึ่งเพราะว่าพระธระรมคําสอนของพระพุทธเจ้านับแปดหนสี่พันพระธรรมคันถ้าใครฟังเราก็ต้องฟัง ถ้าใครพูดให้ฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังเราฟังได้ทั้งหมดจากนั้นมาเราก็นำมากันกลองไตรตองด้วยเหตุและผล เ, เป็นยังไงแล้วก็เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบอีกออไม่เช่หลวงพ่ออินพูดอะไรให้เชื่อเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะจำหลวงพ่อพูดเมื่อคืนนี้นะหลวงพ่อมาทางวัดหลวงพ่ออินพูดอะไรให้พวกเราท่าน ท, ทั้งหลายฟัง เ, เชื่อหมดเหมือนกับหลวงพ่อเ ภาษาทางอีสานเขาบอกสนเข้าสนเขา้เขาควายทางภาษาทางภาคกลางเขสนสนตะายสนตะายบัวควายเสร็จแล้วก็จูงตามหลังเป็นพวนไปหลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อหมดเหมือนกับพวกเราเป็นวัวเป็นควายตามหลังหลวงพ่ออินทั้งหมดไม่ใช่หลวงพ่ออินไม่ต้องการอย่างนั้นหลวงพ่ออินต้องการผู้ที่มีความคิดอัจฉริยะมีสติมีปัญญาการกลองไตรตรองเหตุและผลที่พูดให้ฟัง นำไปคิดนำไปพิจารณาอันดับแรกก่อนนะหน้าศึกษาคือนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพานั่งจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูผาป่าไม้ไหนในประวัติรูเล้าอ่านดูทำไหนผูผาป่าไม้ไหนไปอยู่ตามลำพังที่กลัวๆมีทั้งเสือสาร า, าสิงอยู่ในยุคสมัยนั้นท่านก็ไปภาวนา ทำไมจึงไปอยู่ในสถานที little, little ่แห่งนั้นเพราะท่านไปอยู่ในสถานที่กลัวๆเนี่ยเขาวไปอยู่ที่กลัวเราคิดดูกันแล้วกันนะถ้าตรงนั้นแหละที่เรากลัวป่าช้าเนี่ยเรากลัวที่สุดป่าช้าเราไปอยู่สเออบอกว่าถ้าอยู่ป่าช้าเน่ยเดี๋ยวผีมาบีบคอแล้วนะเดี๋ยวผีมาหลอกเรานะเอให้ต้องภาวนานะเอเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิติอยู่กับตัวเองตลอดอเพราะมันกลัวผีเนี่ยแหละ ท่านก็ไปอยู่ในสถานที่กูลัวคือทรมานตนเองจากนั้นใจของท่านก็ไม่คิดปรุงออกไปข้างนอกเนื่องเมื่อจิตใจไม่ปรุงฟุ้งออกข้างนอกใจอยู่กับตัวเองผลนี้สุดใจของท่านก็จะสงบพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละไปตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแ่ะเออใช่ร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันว่าร่างกายเหมือนกับรถใจของเราเหมือนกับคนขับรถแต่มันอาศัยกันอยู่ ถ้าใจออกจากร่างนะเนี่ยแปลว่าร่างกายเนะี่ยก็ทิ้งเหมือนกับคนรถที่มันเสียแล้วคนเดินออกจากรถอย่างนั้นไงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไปไม่ได้นี้ก็เหมือนกันถ้าใจของเราออกจากร่างแนละ้วใจของเราออกจากร่างกายร่างกายก็หมดสภาพเนี่แหละกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวไก่นามธรรมคือใจท่านนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจนะั่นคืออะไรอนยะ่ากนั้นก็ มาฝึกเรื่องของใจ่ะไรตัวนี้ดูใจอะไรตัวนี้ที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจริงไหมที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเนยะจริงไหมไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองอตัเ อ, อ, เองบอกตอนเองเลยเท่านี้นะแล้วก็ไอ้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดให้ฟัง ทังนี้ทั้งนั้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุและผลแันตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุมูนาให้พรรับพร